ภาคคมเอการเจริญกรรมฐานในตอนต้นก็ข อ, ข อ, ขอพูดเริ่มต้นก่อนการเจริญกรรมฐานก็มีา ญ, ญาติโยมพุทธบริ ษ, ษัททุกคนที่พุะเจ้าต้องการคือว่าต้องการให้พ้นจากความทุกข์นันหมายถึงนิพพานไปไหวไม่เสียนิพพานในไปไม่ยากแต่อนนิพพานเนี่ยที่เขาจ้องเนี่ยนะ <c oughs> เขาจ้องนิพพานนิพพานไม่ศูญที่เขาจ้างจับผิดนะไม่อยากมันเรื่องไม่อยากแค่ตายนะเนี่ยหัวเรื่องเราวมาคือว่าที่พระเจ้าต้องการก็คือนิพพานคําว่านิพพะนแปลว่าดับ <c oughs> ดับจากความชั่วทั้งหมดดับจากความโลภดับจากความโกรธ ด, ดับจากความหลงแล้วก็ดับกีเด็ด ต้นเหตุสามประ ก, ก, <c oughs> การนี้แล้วทุกคนเรถึงนิพพานในการนิพพานตาตาหาว่าเราพูดตามํารามันก็ยาก <c oughs> ถ้าอยาพูดตามคําแนะนำของของค์สมเด็จพระสัมสมาฯพระเจ้าก็ง่ายเฮ้ง่ายว่าไอ้ตามตำราคือชาบ้านเขาเขียนนะชาบ้านชาวัดเขียนถ้าตามที่พระเจ้าสอนไม่ยาก อย่างสอนด้านภัยยะว่าภัยยะเธอจงอย่าสนใจในรูปแค่นี้ภัยยะก็ไปอรั่งความดิฉิสายานกับสอนพระติสะพระติสะอาจารย์วัยังโยร่างกายนี้ไม่ชาก็จะมีวิญญาณไปปราดแล้วคือหมดวิญญาณร่างกายกเป็นของที่เขาทอดทิ้งเหมือนเขทอดไม้ไรประโยชน์ กระโรความว่าคำว่านิพพานนี่ตัดตัวเดียวคือที่รูปน่าสงสัยอะตัดรูปอย่ายกจะไม่โกนไปเชิดคอไปได้นะไม่เกี่ยวนะคําว่าตัดนี่หมายความว่าไม่สนใจในรูปให้มีความเข้าใจในรูปว่ารู ป, เ ป, เ, ปเป็นสภาวะไม่เที่ยงในเมื่อมันไม่เที่ยงเราคิดว่าเที่ยงมันก็เป็นทุกข์น้าที่สุดก็เป็นนัตตาคือต้องตาย อย่างที่พระโมคคัลลาประศาดีบรท่านออกสู่ท่านอ อ, ออกจากบ้านเพราะต้องการโมกกธรรมคือทำาม็เครื่องพ้นจากความตายนั่นคือนิพพานเห <c oughs> ็ไหมในตอนตอน้นบรรดาญาโยพุทธบริษัททุกคนก่อนที่จะภาวนาทั้งหมดหรือวิจารณาก็ตามให้นึกถึงไตรลักษณ์นัยนก่อนขึ้นหนึ่งอนิจจังว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของไม่เที่ยง ร่างกายเราก็ไม่เที่ยงร่างกายคนอื่นก็ไม่เที่ยงร่างกายสัตว์ก็ไม่เที่ยงวัตถุธาตุ ต, าต่างๆก็ไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นสุดซนในธรรมกลางแตกสลายใ น, นที่สุดถ้าเรามีความรู้สึกว่ามันเที่ยงในเมื่อมันสุดซนขึ้นมาเราก็เป็นทุกข์ใ น, นที่สุดมันก็พังจะได้การตัดเพื่อไปนิพพานทำยังไงก็ต้องดูสัญญอดศิลปการ <c oughs> สัญญอดศิลปการก็หนึ่งส ก, กายะทิฏฐิ มีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเร า, เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ว่าถ้าคิดอย่างนี้เปี่รมก็ว่ารหันสูงไปอันดับแรกตังคิดแต่เพียงว่าร่างกายนี้ต้องตายอันนี้เปี่ยรลมก็ผสมดาบันกสกิทาคามีโดยการที่สองเราไม่สงสัยในความมีของพระเจ้ากระธรรมและพระอริยสงศ์ยอมรับรับถือที่ความจริงใจ ตนการที่สามทรงศินห้าบริสุทธิ์ตนการที่สี่มุ่งพระนิพพานเป็นที่ไปแค่นี้พอแล้วเอาแค่สามข้อนี่พอแล้วนะทะําไมยิงบอกว่าพอใ น, นเมื่อเป็นแค่ปะโสด า, าบังสัธารมีทําไมยิงว่าพอเท่านี้เป็นปะโสดาบันแล้ว น, นะเจ้าแก่นะเออพี่เป็นโสดาพระโสดาวะดาบันน่ะเป็นไม่ยากคืนหนึ่งมีความรู้สึกว่าต้องตาย ในการที่สองยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจในการที่สามมีศีลห้าบริสุทธิ์อย่างนี้ท่านเรียกพระโสดาบันหรือสกิทาคามีเป็นได้สองอย่าง <c oughs> ในเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้งสกิทาคารมีจิตก็รักพนิพพานเป็นอารมณ์เพราะขณะที่ก่อนนี้เข้าเป็นพระโสดาบันจิตต้องเข้าถึงโคตรตโรยานก่อน ทำว่าโครตรภูญานี่หมายความว่าจิตยอยู่ระหว่างโลกียกะกับโลกุตระถ้าเปรียบเทียบเหมือนก็ดกำลังเล็กๆเท่าซ้ายเหยียบฝั่งนี้เท่าขวาเหยียบฝั่งโน้นแต่เท่าซ้ายยังไม่ยกไปหาเท่าเท่าขว า, า, ขาใช่ไหมอยู่ระหว่างท่ากลางาเครียวโคตรภูญานแต่ถ้าว่าโครตรภูยาน <c oughs> าารรยานี่จะทรงถึง่ไม่นานยังมากกว่าสเจ็ดวันก็เป็นระโสดาบัน สถิคนที่เป็นมัสวดาบันเมรมอย่างไงบ้างเหมือนชาวบ้านชั้นดีดืนึงยังมีความรักทางระหว่างเพศยังมีการแต่งงานมัสวดาบันสกิษาคามีนี่นะยังไม่ต้องเลิกกันสามีปัญญาในการดีสองต้องการยังต้องการความร่ํารวยแต่ไม่คนไม่โกงใครและการทีสามยังมีความโกรธแต่ไม่ฆ่าใครในการดีสี่ยังมีความหลงว่าต้องการความสวยสดงดงาม แต่ว่าจิตใจรักผลิพานเป็นอารมณ์ปรเด็นในเมื่อตอนต้นจิตรักพผลิพานเป็นอารมณ์ทรงอารมณ์แบบนี้ได้ตอนจะตายตอนจะตายทุกคนจะเป็นพระอรหันต์ไม่ไม่อยากเพราะอะไรไหมเพราะว่าอตอนที่จะตายเนี่ยทุกเวทนามันหนักร่างกายของเรามันหนักป่วยใช่ไหมอาการป่วยเนี่ยมันไม่ไ ม, ม่ดี <c oughs> เยกยเห็นว่าร่างกายเราไม่มีดีสักส่วนปวดที่นอนเจ็บที่นี่ถ้ามันต้องมีทรมานมันต้องมีโทษ ท, ทุกโทรมานมากจริงๆริง่งตายในเมื่อทุกขเวทนามันมากเราก็เห็นว่าร่างกายไม่ดีในเมื่อจิตรักปฏิพัน์เป็นอารมณ์อยู่แล้วอารมณปฏิพานมันจะเข้ามาแทรกทันทีเร่างกายในเมื่อไม่ดีอนี้เราไม่ต้องการมันอีกคําว่าไม่ต้องการมันอีกเพียงเท่านี้ก็ปฏิพ า, านทันทีเป็นอารันแล้วอันนี้ไม่ยากนะ นี่พูดตามพระพุทธเจ้าท่านพูดใช่ไหมใ้ต้องแก่ว่าไงยังไม่บานนะอาจจะไปว่าที่บ่ายก็ได้ก็รวมความว่าวันนี้แล้วก็เตรียมงานตอนต้นแค่นี้สำหรับการเจริญใเบืเ้องต้นในเบื้องต้นเขามันได้ยมพุทธบริษัทก่อนที่จะภาวนาให้กําหนดรู้ลมหายใจเขาออกก่อนหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้า หายใจออกรู้อยู่หายใจออกแล้วคิดตามว่าหนึ่งร่างกายเราต้องตายประการที่สองถ้าตายแล้วจะไปสวรรค์ก็ได้บรรกก็ได้เบี่สองทางนั่นเราเลือกไปสวรรค์ก็อย่างน้อยเมื่อไปนิ่ผ่านเพื่อยอมรับเท้าถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความจริงใจตั้งใจนึกถึงท่านแลประการที่สามตั้งใจทรงชินห้าบริสุทธิ์ชินห้าก็ค่อยละ ข้อไหนมันบกพร่องมากก็ค่อยเตือนใจมันวันนี้ทําผิดทิศว่าวันพวกนี้จะเราจะเราจะไม่ยอมผิดพวุนี้มันจะมีอีกวันเดนเราจะไม่ยอมผิดเตือนมายนี้เสมอเสมไม่ช้าก็ส่งตัวและจิตว่างนิพานไม่เป็นอารมณ์ทุกวันก่อนจะหลับนึกถึงนิพานเตือนใหม่ใม่นึกถึงนิพานาก่อนเมื่อนึกถึงนิพานเปนอารมณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นฌานในอุปัปสมาโนติกธรรมฐานมีพระ น, นิพานเป็นอารมณ์ ตอนนี้พอจะตายจริงๆไอ้เวลาที่เราตายเนี่ยร่างกายมันตายใจไม่ได้ตายด้วยจะไปสวรรค์จะไปพุทมโรกจะไปนิพพานจะไปนรกไปเป็นสุนทรภัยก็ตามใจมันไปที่เรียกว่าทิฏมานะกาย <c oughs> ในเมื่อจิตใจเรารักพนิพพานมารมมันก็ไปเฉพาะนิพพานโดยตรง น, นี่มีเยอะนะเอาแค่นี้นะจบแล้วตอนนี้มันก็ต่อเมื่อคืนนี้ ที่าหามับอกเมื่อคืนนี้ถึงไหนเนาะริชาติถึงไหนลูกเมื่อคืนนี้ถึงท่านสัทธาดาบทเหลือคนเดียวใช่ไหมลูกศิษย์ไปพระรหันต์หมดพร้อมไปสมิทายานแล้วก็ท่านอะไรสั่งลูกศิษย์ว่าทีท่พระรหันต์ดแล้วนะบอกท่านท่านหลายจงไปบอกสิริสิริวัฒน์ปูดุมพี ว่าเวลานี้เราปรารถนาเป็นอัษาษรพระพุทธเจ้าองค์ใดหนึ่งนะในในในตกลงถ้าท่านเองพระเจ้าทรงไปยังก่อนว่าจะเป็นอักษรพระพเบื้องซ้ายเราไป็อักษรพระพบื้ขวาให้สิริวัฒนกุฎุมพีทำบุญกับพุทธเจ้าแต่ว่าในเมื่อท่านสั่งลูกศิษย์ท่านที่เป็นพระแล้วนะบรรดาพระที่เคยเป็นลูเศิษยธรรมก่อนไม่ทันจภายัยท่านไปเองไปทิ้งก่อน hey. สั่งเขานะให้ไปบอกแต่ตัวไปถึงก่อนพอไปถึงบ้านท่านสิริพัทักโคดมพีก็ถามว่าไปน้ยพระคุณเจ้านานแล้วไม่เคยมาเลยก็เลยเชิญเข้าบ้านทั้งหลห้ฝังไปว่าเวลานี้พระเจ้าบัชิคือแลในโลกแ้่วันนี้พระเจ้ามาเทศโปรดเราบรรดาลูกศิษย์ของเรา8ปด0มื่นมสี่พันรรลุอรหันต์หมดที่ได้ท่านสงสัยว่าทาไมมาคนเดียวเคยมาตุศิษย์มาด้วยใช่ไม ได้ห้ฟังพระนที่สุดก็บอกว่าพระเจ้สาสมัยก่อนว่าเธอนะ่ะจะได้เป็นอักษาวกเบื้องซ้ายของพระสมณพระโคดมต่อจากนี้ไปประมาณแสอันหนึ่งอสุนไขก็แสงกลับไม่นานเลยนะ <c oughs> อีกหนึ่งอสองไขแก็แสงกลับพระสมณพระโคดมจะก็อวัขึ้นในโลกเราจะเป็นอักษาวกเบื้องขวามีนามภาษารีบุตร จะเป็นอกษรพระคุณซ้ายมีนามวหมดขลาท่านสิริวัฒก็วัฒกุงพีก็ดีใจว่าขอพระคุณเจ้าคําว่าพระเจ้าคือพระอาหารก็ตามผมไม่เคยสนใจคือว่าไม่เคยรู้จักไม่คุ้นเคยกันขอให้นีมนให้ช่วยนีมนท่านมาท่านสัตย์ดาบดก็ยอมรับปฏิมนพ์พระเจ้าเพราะพระอาหารทั้งหมดมา ท่าเจ้าของบ้านก็จัดการเลี้ยงพระตาหารทาบุญก็มีความรู้สึกว่าทำบุญแค่หนึ่งวันนี้มันไม่พอใจขอเจ็ดวันพุทเจ้าก็ยอมรับพระเท่าไร่พระเดิมมีแสนองค์แล้วก็ลมาเพิ่มใหม่แปดหมื่นสี่พันองค์โอ้โหหมูตายหลายตัวนะตายไม่ตายไปดูนะ กรดความมาทำบุญครอบเจวันแล้วก็เอาข้าวไปเข้าเข้าไปหาพระเจ้าตั้งใจตั้งนมันการว่าขอเป็นอากรสาวกเบิร์กซ้ายพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัตว่าเจ้าจะได้เป็นอากระสาบกเบิร์กซ้ายของพระสัมามาสมพุทธเจมีนามว่าโมกคันลานะเอพระพุทธเจ้าเมื่อคืนนะบอกว่าชื่ออะไรนะอานุมัติสีใช่ไหมนะชื่อธรรเพาะนะชื่อเพาะด้วยรูป ก, ก็สวยด้วย แต่พระุเจ้าทุกองค์มัรูปสวยเหมือนกันหมดคือคนที่จะเป็นพระเจ้าทุกองค์ลักษณะต้องเต็มพร้อมทุกอย่างคือการสา ร, รสองก็เต็มมีลักษณะพิเศษอีกแปดสิบอย่างก็เต็มเต็มคร้มหมดร่างกายไม่บกพร่อง <c oughs> ก็เราความว่าเมื่อพระเจ้าตัดเพียงเท่านี้ก็บอกว่าึือต่ตบรรดาพระสงค์ว่าพิเกเวดูเกาะพิสทุทั้งหลายที่พวกเธอตัดนินทาตถาคตเห็นไหม ว่าตถาคตเห็นก็ น, น่าบกคนลำเอียงว่าสองคนนี้เป็นลูกมหาเศรษฐีจึตงตั้งเป็นอักษาวกแต่ความจริงไม่ใช่เขามีความประทัตั้งความประทาัมาแล้วตั้งหนึงห่งสงใคนก็แสงกลับตถาคตก็ต้องตั้งตามความตามปรารถนาของเขาเขาต้องใช่ิฐานบา ร, รมีดังนี้เรื่องนี้ก็จบแค่นี้ เอาเรื่องต่อไปเอาไปเรื่องต่อไปนี่ก็ไม่จบวันนี้ต้องจบคงนี้ยังไม่แน่ใจพวกนี้จะจบหรือไม่จบเรื่องต่อไปที่บาพวกเธอบอกว่าควรจะตั้งคณะท่านอน ญ, ญานุอนัญญะเป็นอักาสาวกเพราะว่าเป็นอรกสาวกองแรกของอุตศาสนาเป็นฐานรองแรกแต่ความจริงท่านอญญากุอนัญญะนีไม่ได้ปรารถนาอักขสาวก เวลาทมบุญต้องการอย่างเดียวคือต้องการเป็นพระหันก่อนคนอื่นทั้งหมดเพร่อจากพระเจ้านะก็ฟังเทศจากพรนะเจ้าแล้วต้องการเป็นพระหันก่อนคนอื่นทั้งหมดในบรรดาสาวกขมดเขาตั้งแค่ไม่ใช่นั้นแล้วเวลานี้ตาทาโคก็ได้ให้เขาแบพรหันก่อนใครทั้งหมดแล้วท่านก็เล่าความเป็นม า, า, า, ญญาก็ท่านอญยาบุญยะอยาฟังไหมล่ะยาวนะ 1 5นาทีนั้ไม่พอแง่ง่เขาเลาะตัดตัดสั้นๆนะสั้นแั้ก็ไม่จบก็ อ, อ่าแต่เรื่องนี้อาจจะจบเพอถ้าอัญญากุณยะนี่ถอยหลังไปประมาณเท่าไรจ่อเดี๋ยวก่อนเวลานั้นคนมียุน้อยนิดเดียวยุแค่แสนปีมีพู้เจ้าพระนามว่าผุดสะนะ ขอให้หลังไปกี่กลับฉันจำไม่ได้แล้ว <l ots> <c oughs> จำกลับไม่ได้ดขอโทษดเลยนะสำหรับอนุทัศนสีนี่92้าก้าสิกลับอ้อถ้าอัญญาคุละย่าสายไมนุนแสงกลับเวลานั้นคนไมียุได้แสนปีเหมือนกันยุ่ไม่มาก <c oughs> แย่เลยนะ แม้เป็นเด็กท 20, ั้ง 20,000 ปีเป็นคนหนุ 20, ่ม ค, คนสาวทั้ง 20,000 ปีเป็นคนวัยกลางคนท 20, ั้ง 20,000 ปีเป็นคนก็นย่องก็แย่งทั้ง 20,000 ปีผู้แก่ 20,000 ปีโอ้ไม่ไวแต่ความจริงเขาไม่เป็นอย่างพวกเราเวลานั้นเ้ามีบุญมากนะมีร่างกายแข็งแรงเวลานั้นก็มีพี่น้องสองคนใช่ท่านโกนัญญะได้เป็นน้องชายแต่พี่ชายเขาลืกชื่อ ม่เมื่อพ่อแม่ตายทั้งทั้งสองคนก็ทํานาร่วมกันว่าเวลาทํานาร่วมกันขณะที่ข้าวตั้งท้องขึ้นมาพอเอาน้ำนมมาทําเป็นยาคูได้ท่านก็บอกพี่ชายบอาว่าจะเผาต้นข้าวทายาคูเลี้ยงพระพี่ชายมาเห็นชอบด้วยท่านก็แค่นบ่อยๆใ น, นที่สุดพี่ชายก็บอกว่าเอายิ่กันแล้วกันแบ่งนาคนละครึ่ง คนของเธอเธอจะทำแบบไหนก็ทำตามใจชอบของฉันเธอจะยุ่งนะก็เป็นว่าท่านก็ตั้งใจทาตามที่คืนหนึ่งขณะที่แรกนาฝันทำบุญนาที่ข้าวตั้งท้องทำบุญข้าวเป็นข้าเมาได้ทำบุญเอาข้าเมาเอาข้าเมาทาบุญนะเกี่ยวข้าวได้ทำบุญเอาข้าวเข้ารลานทำบุญน่วยข้าวทำบุญเอาข้าวขอยุงทำบุญทำบุญตลอดตั้งแต่เริ่มต้น ได้ทิฏฐานว่าถ้าข้าพเจ้าเกิดชาติใดฉันนั่ตามถ้าพ ร, พ, รพระพุทธเจ้าขอเป็นพรหันองค์แรกในโลกก็ไปด้วยในที่สุดถ้าเกิดในชาติหลังนี้ท่านก็มาเป็นอัญญาโกตัญญะเป็นพระหันองค์แรกในโลกใช่ไหมสําหรับพี่ชายที่เวลาข้าวเกี่ยวข้าวก็ดีอะไรก็ยังไม่ทําบุญเมื่อข้าวขอยุ้งแล้วยิ่งทำบุญยิ่งบรัานารองค์สุดท้ายในโลกตอนที่พระเจ้าป่วย ที่นางรังทั้งคู่เราครูสินาราใช่ไหมตอนนั้นที่ผู้เจ้าป่วยก็มีพราหมณ์คนหนึ่งต้องการฟังเทศต้องการมาถามปัญหาพระก็ห้ามบอกว่าเวลาที่ผู้เจ้าทรงประชวรมากอย่าควจะาควรท่านเลยผู้เจ้าได้ยินเขาก็บอกว่าปล่อยเขามาเถอะที่ตถาก็าาต้องทรมานพระกายมาจากอ่าจากวาวาและเจดีมาที่หนี่เพราะว่าต้องการปลดลูกของสุดท้าย ว่าคนที่พระเจ้าต้องสอนเองเนี่ยคนอื่นสอนไม่ได้สอนไม่มีผลอย่างกับบริษัทของสาตธาดาบทเอากาสาวกทั้งสองเทศเนี่ยไม่มีผลเลยในเมื่อพระเจ้าเทศเองแป๊บเดียวไปรัหมดนี่มีความจำเป็นพ <c oughs> ู้เจ้าต้องการโปรดคนนี้ในเมื่อเขาเข้าไปพระเจ้าก็ทรงเทศโปรด ถ้าเทองใจสนใจในปัญหาฟั ง, ทงเทศเกล้าลกันพระเจ้าก็ะสงเทศตัดสินสมาธิปัญญา <c oughs> พอเทศจบประเดี๋ยวเดียวเทิงก็เป็นพระอรหันต์นี่ลงความว่าถ้าอัญญาโกนยะท่านทําบุญตั้งแต่เริ่มแรกจีบเป็นอรหันต์องค์แรกที่ชายทําบุญขั้นสุดท้ายข้าเข้าเข้าเ ข, ข, ข้ายุ่งยังทำบุญจะเป็นอรหันต์องค์สุดท้ายก็ยังดีนะดีกับพวกเรานะพราเราอย่งเป็นกรหรันอยู่เอ <c oughs> ๊จบแล้ว ร้นาทีแน่ต่อไปบรรดาท่นานอะไรก็บอกว่าถ้าไม่ตั้งคณะท่านอัญญายคนยะเป็นอาคาสาวก็ควรจะตั้งบรญยวคีเอ๋พัธทพธวคีทั้งสาคนพัทธวคีนี่พระพุทธเจ้าไป่ได้ประวัติเพียงที่บอกว่าเคยเป็นนักเกรงแน่ต่อมาฟังที่จะพุทธเจ้าอย่างต่ำเป็นพระโสดาบันอย่างสงูงเป็นพระอนาคามีต่อมาท้าการดินธาต่อไปบอกว่าถ้าหากไม่ตั้งพัทธวคี30สิ ควรจะตั้งคณะพระยัศรเป็นอักษาวกเพราะเป็นก่อนพระโมคคัาปรสาธิบุตรมูขจาก็บอกว่าพระยัศรก็ดีเรยวยศภาษาไทยรด้เร็วยศนะเขาต้องการแค่พระอรหันต์เท่านั้นเพราะว่าในช่ายก่อนๆนในสมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่บวชขึ้นในโลกบุคคลคณะนี้ทั้งห้าถึบห้าคนเป็นสัพเพรสธาธรณะ มันหมายความว่าใครตายก็ตามเขาจะพยายามช่วยสงเคระห์ในการเผาในการฝังและไม่คิดเงินไม่คิดทองต่อมาในวันหนึ่งปรากฏมีศพผู้หญิงตั้งคันลอยน้ำมาเขาก็ไปแจ้งให้ทราบทั้งหมดก็ยกคณะไปตั้งเชิญตะกรขึ้นนำศพขึ้นเอาฟืนวางแล้วก็เผาเ ที่แบบฟืนขนาดนี้เคยเผาศพหมดแต่ว่าบังเอิญผู้หญิงคนนั้นแกลอยน้ํามาเนี่ยเพราะน้ำก็อิ่มเต็มตัวใช่ไหศพก็ไม่ยอมเขมาเมื่อเใส่ไฟแล้วว่ากลับมาบ้านกํลาลังกินข้าวอยู่ <c oughs> ก็มีคนมาบอกว่าไฟมอดหมดแล้วไฟดับแล้วแต่ว่าศพไม่ไหมก็แปลกใจ <c oughs> ก็พากันไปดูเมื่อพากันไปดูก็ทราบว่าศพนี้ไม่ไหมจริงๆเพราะจากร่างกายอิ่มไปได้วยน้ํา ถ้าจริงจัดฟืนมาใส่ใหม่เพราะนี้ใช่ไม่ทำให้แหลมแทงให้น้ําไหลลงมาไอ้น้ํามันไหลมามันไหลมาทั้งน้ําธรรมดาด้วยน้ําเลือดตะเหลืองน้าหนองก็ไหลมาด้วยก็พิจารณาร่างกายว่าร่างกายทุกคนทุกคนมคันส่ระบบขระดนี้เฉลี่ยไม่น่าจะสนใจร่างกายคนเลยเขาจริงเขาที่แค่นี้นะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายร่างกายเฉพาะเวลานั้นเท่านั้นนะเท่ า, ทาแก่นะไม่ใช่ทุกวันนะ เฉพาะเวลาที่เขาเห็นทั้งหมดมีความรู้สึกเท่ากันเพราะร่างกายคนทุกคนในข้างในมันสกปรกมากมีน้ำเลือดําเหลืองน้ำหนองสองกปรกมากแต่ความรู้สึกจริงๆแค่นั้นไม่ได้ต่อมาคนอื่นไม่ได้คิดแต่ว่านั่นถือว่าเป็นบุญใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเป็นบุญที่มีความใหญ่เป็นจุดใหญ่สําคัญที่จะเป็นพระอราหันต์ต่อมาเมื่อกลับมาเกิดในชาติหลังนี่นก็เป็นลูกเป็นพ่อยศเป็นลูกมหาเศรษฐี ก็บรรดาพ่อกับแม่ก็บริเบริบำรุงลูกสร้างปราสาทเจ็ดชั้นให้อยู่มีสาวๆให้ประมาณห้าร้อยคนโอ้แหะเราเกิดไม่ทันนะขอแบ่งมัง่งน <laughs> แต่ว่ามาวันหนึ่งท่านตื่นนอนมาตอนดึกตามปกติทั้งก็มีความรักเป็นธรรมดาของคนแต่วันนั้นตื่นมาตอนดึกเห็นคนทุกคนเป็นศบหมด พระบุญเก่าเข้าสนองใช่ไหมเห็นทุกคนเป็นศพเป็นหน้าเกลียดโศกโศกไปหมดก็เลยสวมรองเท้าใส่หมวกออกจากบ้านเดินบ่นไปที่ว่าที่นี่บุญวายเนาะที่นี่ไข่ข้าหเนอะบ่นไปแค่เนี่ยที่นี่บุญวายที่นี่ไข่ข้าที่นี่บุญวายนี่ไข้วเนาะบ่นบ่นไปพราะทีเจ้าท่านอยู่ระหว่างทางเข้าใจไปดับถ้าเดินจงกรมอยู่พอถ้าดินเสียงแล้วบอกยศจะ ที่นี่ว้่นวายที่นี่ไม่เกิข้องเธองเข้ามานี่รู้จักชื่อโดยท่านาเข้าไปว่าเธอจงฟังเทศท่านอาเทศอนุปุอนุปรุคานุปูรุคเทศย่อๆเรื่องทานเรื่องศีลทรืงสวรรค์เรื่องการบวชเป็นต้นใช่ไหมพอเทศจบพะยศก็ยศก็ได้ยศก็ได้นะพะยศก็เป็นพระโสดาบัน นี่พอตื่นเงินชอบแล้วก็ท่านพ่อท่านแม่ไม่เห็นลูกก็ตกใจ <c oughs> ส่งคนออกติดตามก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งท่านพ่อก็ตามด้วยตามไปตรงทางที่พยศอยู่กับพุทธเจ้าพอเข้าไปพอเข้าไปถึงนั่นพ่อก็ไปถามพุทธเจ้าว่าเห็นลูกชายใลยานทางนี้ไหมตอนนั้นตาบาลีได้บอกว่าพุทธเจ้าประดามปาฏิหาริย์ให้คนทองคนมองไม่เห็นกันพยศนั่งอยู่ข้างหลังไม่เห็นพ่อ พ่อถามพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าจะตามลูกชายเพื่อประโยชน์อะไรฟังเทศดี ก, กว่าทั้งเทศง่ายนะไม่ต้องติดกันเทศว่าเทศกันเดียวกันจบพระยศฟังเป็นครั้งที่สองไปพระอราหันต์เลยพ่อเป็นประสดาบันเห็ไหมตอนนี้ท่านก็คลายฤทธิ์ให้คนสองคนเห็นกันเมื่อเห็นกันแล้วท่านพ่อก็บอกว่านถ เวลานี้แม่ของเจ้ามีความเสียใจเจ้าหายมาน้ําตาจะไหลเป็นเลือดอยู่แล้วให้กลับบ้านพระยศกระบองดูพ่อและมองดูพุทธเจ้าพระเจ้าก็บอกบอกกับพรอบอกว่าวันนี้พยศแต่พระอาหารแล้วไม่ควรการคลองเรือนท่านก็ดีใจท่าก็เลยนิมนต์ทั้งพุทเจ้าทั้งพยศเข้ามาในบ้านเพาไปนบ้านเขาเรียกอาหารเสร็จพระเจ้าก็เทศกันเดิมกันเดียวกันทุกคนในบ้านเป็นปสดาบันหมด ต่มาเพื่อที่ห้าทีห้าคนในฟังข่าวเข้าก็มาฟังเทศฟังเทศจบเดีไปพระสารหมดพระเจ้าเลยบอกว่าพระยศเขาต้องการแค่อรหรันตถาคุกให้เป็นแล้วนี่ <c oughs> ใช่ไหมนีทานก็นทําไมที <c oughs> นี้ก็ต่อมาเรื่องพระเจ้ ด, ดินทั้งสามเรื่องนี้นยาวเหยียดเกิโหเดินสามนาทีจะไม่พอแง่แง่คึ่นถ้าเล่าละเอียดครึ่ชงชั่วโมงยังไม่พอเลยไม่นาว่าเอาหน่อยหนึ่งไว้พวกนี้ ไม่ตอพวกนี้นะไม่ไม่ไม่มีเรื่องต่อน <spe> ี่พูดมาเผยชัดล hm. ิ <ça> ้นมันแข็งก็เป็นว่าชาดินเขาบอกว่าถ้าไปงั้นก็คนจะตั้งชาดินทั้งสามเป็นอาคาสาวกพระเจ้าก็บอกว่าชาดินทั้งสามเขาต้องการแค่ไปความไปพระอรหันต์เท่านั้นพระนบอกว่าในสมัยหนึ่งที่มีพระพุทธเจ้าไปพระพระราชาหนึ่งมีลูกชายเป็นพุทธเจ้าลูกชายคนโต และลูกชายคนนี้สองเป็นอักขรสาวกเหนือน้องชายสามคนขอเล่าลัดๆนะต่อมาพระราชาก็ บ, บอกกับพระเจ้าบอกว่าข้าอ่เวลานี้ข้ากับผมแก่แล้วจะมียุเลออยประมาณเก้าหมื่นปีก็ตายโอ้โหแย่เลยีกกข้าบคอบอกแก่แล้วนะนี่แค่เก้า0มืก จะต้องนั่งนั่งนอนๆประมาณเก้าเมืองปีก็ตายฉะนั้นก่อนที่เข้าพระเจ้าอย่าตายขอพระเจา้าโยยากโปรดสงเคราะห์ บ, บุคคลอื่นอย่ารับทานจาก บ, บุคคลอื่นน้อยความว่าราเรื่งอาหารน่ะใครในมนต์ไปที่ไหนห้ามไปถ้าไปเทศนะ์ไปได้แต่อาหารต้องเอาที่บ้านตอนชันที่บ้านพระเจากก้าขอรับถ้าคิดว่าเวลานิดหน่อยเก้าเมืองปีไม่ช้าพ่อก็ตายแล้ว <laughs> โอ้โหเสยียเอ้ยเคยหลายรอบเลยเราที่ <c oughs> แล้วต่อมาเกิดในเมืองชนบทเมืองขึ้นเกิดแข็งเมืองขึ้นมาลูกชายสายคนรับอาสาพ่อไปปราบไปปราบขบฏก็ปราบได้แล้วพ่อกลับมาบมาถึงประเทศพ่อก็ดีใจให้พรว่าเจ้าต้องการพร อ, อะไรพ่อจะให้ทุกอย่างเผลอนะั่นคนแก่เผลอลูกชายก็บอกว่าทุกอย่างมีครบแล้วครับ ต้องการอย่างเดียวคือเลี้ยงพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นประธานเอ้ยท่านได้บอกอีไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ยขาจ้องไว้แล้วเ <c oughs> น, นี่ยตอนในสุตุชายเขบอกเอานี้ก็แล้วกันถ้าเลี้ยงทุกวันไม่ได้ขอเจ็ดปีเลี้ยงเจ็ดปีไม่ได้หปีก็ไปได้ห้าปีก็ไม่ได้ไปสุดหนึ่งปีไม่ได้ท่านก็เลยบอกเอานี้ก็แล้วกันนี่ขอต้องได้ในเมื่อให้พอแล้วขอคนละเดือนใช่ไหม ขอเลี้ยงคนละเดือนพ่อยอมรับก็เสียไปสามเดือนนะดิเขาไม่ได้เรียงพร้อมกันเขาขอกันคนละเดือนไม่ใช่ขอเดือนเดียวสามคนนะพ่อก็ยอมรับในคนแก่นเสียท่าเด็กนะในเมื่อพ่ออนุ ญ, ญาตท่านทั้งสามก็บวชเป็ น, นเลนรักษาสิ้นสิบก็สั่งนายเสมียนคือขุ้งคลังคือพระ้าพิมีสารเวลานั้นเป็นคุ้งคลัง เพราะว่าต่อที่ไปเจ้าจงเบิเกเงินในครังทั้งของเราเลี้ยงพระแสนองค์กับคนทั้งหมดที่เขามากินเดนพระหมายความเป็นลูกศิษย์พระนะภาษาบาีว่ากินเดนพระทั้งหมดตลอดเวลาสามเดือนเท่าไหรก็จ่ายก็เป็นว่าพระเจ้าเป็นสายกับนายคนคืคนครังกับนายบัญชีก็ต่างคนทําตามนั้นแต่นี่คนมันน้อย เลี้ยงพระต่างแสนองค์กับคนอีกมันก็ไม่ไหวคนเกินแสนปริมาณคนเลี้ยงมันน้อยเกินไปก็ไปเอาเรียกเอาพวกญาติเขาพวกที่รู้จักกันมาช่วยกันจ้างจ้างให้ทําแต่ให้พวกรู้จ้างเล ด, ดีของดีๆบางทีกินก่อนพระเขาทําของ ด, ดีมากินซะก่อนบ้างของเหลือแล้วบอกจะไปให้ลูกให้หลานกันไปกินเองบ้างไม่ให้คนอื่นกินในที่สุดต่างคนต่างตาย ท่านทั้งสามก็ตายตายแล้วก็ไปท่องเที่ยวในเทวโลกแต่ว่าบรรดาบริวารทั้งหมดไอ้นี่กินของก่อนพระบ้างกิทีหลังพระบ้างเห็ไหมไปเป็นเปรตใช้ระยะเวลานิดเดียวเแค่แค่เก้าสองกลับเอาแค่นี้ยเ